วันนี้เป็นวันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านได้มีความตั้งใจที่จะมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษา พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลคือการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการ จเจริญก้าวหน้าในทางด้านจิตใจของผู้ที่ปรารถนาความสุขความจเจริญทางด้านจิตใจปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทางด้านจิตใจจาเป็นที่จะต้องมีการพังทำเป็นระยะระยะ อยู่อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นการเติมพลังให้แก่จิตใจที่เป็นเหมือนกับรถยนต์รถยนต์นี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆเพราะถ้ารถยนต์ขาดน้ำมันเมื่อไหร่รถยนต์ก็จะไม่สามารถ เดินทางไปไหนมาไหนได้เช่นเดียวกับจิตใจก็จำเป็นที่จะต้องมีการเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนจิตใจให้ไปสู่จุดหมายที่จิตใจปรารถนาได้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวว จำเป็นที่จะต้องมีการเติมน้ำมันของจิตใจน้ำมันของจิตใจก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนให้สร้างให้เจริญกันขึ้นมาเพราะว่าถ้าจิตใจขาดธรรมะที่จะขับเคลื่อนจิตใจให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง จิตใจก็จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้จิตใจก็จะไม่มีกำลังไม่มีความพยายามไม่มีความขยันเวลาใดที่เรารู้สึกว่าเราเกิดความเกลียดคร้านเกิดความท้อแท้ต่อการปฏิบัติ ตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ทราบไว้ว่านั่นคืออาการของการขาดน้ำมันของจิตใจถึงเวลาที่จะต้องไปเติมน้ำมันให้แก่จิตใจด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อเติมน้ำมันให้แก่จิตใจน้ำมันรือธรรมะที่ จะขับเคลื่อนจิตใจให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าละพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ไปถึงได้นั้นมีอยู่ห้าประการด้วยกันข้อที่หนึ่งคือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่าเป็นผู้ที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์สามารถไปถึงที่ปรารถนาได้ถ้าปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดข้อ2ธรรมที่จะต้องมีที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นมาก็คือวิีย คือความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาในการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีความศึกไม่มีการศึกษาไม่มีการฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่มีการปฏิบัติใจก็จะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ ธรรมะข้อที่สามที่จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆก็คือสติสติคือทมที่จะเป็นผู้ดึงจิตใจให้ไปสู่ทิศทางที่ควรจะไปทิศทางการดำเนินชีวิตนั้นมันก็มีอยู่หลายทิศทางด้วยกันทิศทางที่จะนำไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความวุ่นวาย ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็มีทิศทางที่จะพาให้ไปหลุดพ้นให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีถ้าไม่มีสตินี่ก็จะไม่สามารถที่จะกําหนดทิศทางไปได้เหมือนกับเรือใบหรือเหมือนกับเรือเครื่องยนต์นี้จำเป็นจะต้องมีหางเสือ ถ้าไม่มีหางเสือคอยกํากับทิศทางเรือก็จะไหลไปตามกระแสน้ําเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ามีหางเสือมีใบก็จะสามารถกําหนดทิศทางของการเดินทางของเรือได้หรือถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องมีพวงมาลัยถ้าไม่มีพวงมาลัยนี้จะสั่งให้รถพาไปตามทิศนั้นทิศนี้จุดนั้นจุดนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อที่สี่ธรรมะที่ต้องหมั่นสร้างกันเติมกันก็คือสมาธิแล้วสมาธินี้เป็นแรงผักดันเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ถ้ามีพวงมาลัยแต่ไม่มีเครื่องยนต์รถก็จอดอยู่กับที่หมุนพวงมาลัยไปซ้ายไปขวารถก็ไม่วิ่งไปไหน ต้องมีเครื่องยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนตัวรถยนต์แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือปัญญาความรู้ความฉลาดปัญญานี้จะเป็นเหมือนกับแผนที่ที่จะบอกว่ากาลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่หรือในสมัยใหม่นี้เขาก็มีเครื่อง GPS mm. เคยบอกคอยบอกทางว่า เราต้องการไปจุดนั้นจุดนี้ไปถูกทางหรือเปล่าถึงทางแยกนี้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือตรงไปเนี่ยถ้ามีเครื่อง GPS นี้เขาจะบอกทางให้กับเราสมัยถ้ารถไม่มี GPS ก็ต้องเปิดแผนที่ดูถ้าเราไปตามสถานที่ที่เราไม่เคยไปมาต่อนเช่นไปต่างจังหวัดเราอยากจะไปที่นั่นที่นี่ เราก็ต้องเปิดแผนที่ดูว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่นี่คือปัญญาเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเหมือนกับน้ำมันที่จะขับเคลื่อนจิตใจให้ได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปรารถนากันในทางาาศาสนาพุทธนี้จุดหมายปลายทางก็คือมรรคผลนิพพาน การหลุดพ้นจากความทุกข์ตามระดับต่างๆจนถึงระดับขั้นสูงสุดคือพระนิพพานจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงค์ว่าเป็นผู้ที่จะนำพานำทางให้ไปสู่ถึงจุดหมายปลายทางได้สองต้องมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียง สต้องมีสติการกําหนดรู้ทิศทางว่ากําลังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่สามต้องมีพลังคือสมาธิแล้วก็สี่ต้องมีแผนที่คือปัญญาคอยบอกให้รู้ว่าเรากําลังไปทิศที่เรากําลังควรจะไปหรือไม่นี่คือ <c oughs> การเติม น้ำมันให้แก่จิตใจสำหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงยังเป็นที่จะต้องหมั่นเติมศรัท ธ, ธาเติมวิริยะเติมสติเติ ม, ต ม, ส, ตตมสมาธิเติมปัญญาอยู่เรื่อยๆถ้ามีการเติมศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาอยู่เรื่อยๆ จิตใจก็จะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกที่ควรที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลัตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงแล้วอย่างแน่นอนดัง น, นั้นสิ่งที่เรามากันในวันนี้เราก็เพื่อมาเติมสิ่งแรกก่อนก็คือเติมศรัทธาการศรัท ธ, ธานี้เกิดจากการที่เรา ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเหตุที่เราไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกก็เพราะเราไม่รู้ว่าท่านเป็นใครท่านมีความรู้อะไรที่จะมอบให้กับเราคนที่ไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระอาหารหันตสาวกก็เพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้า พระลนตสาวกให้กับเขานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้คนที่ก็ไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มักจะเป็นคนที่ไม่ต้องการการหลุดพ้นจากความทุกข์กันแต่ต้องการความเจริญทางราบยศสรรเสริญสุขกันต้องการทรัพสมบัติต้องการความร่ํารวยต้องการ ยศถาบรรดาศักดิ์ต้องการรางวัลจากการแสดงความ <c oughs> ชื่นชมยินดีสรรเสริญเยินยอและต้องการความสุขจากรูปเสียงเกิื่นลดผธพระชนิดต่างๆบุคคลเหล่านี้จะไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำส่งคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอาหารตัสสาวร ก็จะไม่สนใจที่จะเข้าหาที่จะศึกษาและปฏิบัติต่อให้เขาเป็นมหาเศรษฐีลำดับหนึ่งของโลกเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรการเป็นสิ่งเหล่านี้นั้นไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีในใจของเขาให้หมดไปได้มหาเศรษฐีพระราชามหากษัตัิย์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีก็รุนต้องมีแต่ความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจด้วยกันทุกคนเพราะสิ่งที่เขามีนั้นไม่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเขาได้นั่นเอง ต่างจากผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้สร้างธรรมะห้าประการนี้คือศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาพวกนี้เขาจะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเขาได้ให้หมดสิ้นไป ทำให้ใจของเขานี้ปราศจากความทุกข์ไปตลอดใจที่ปราศจากความทุกข์นี้เป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่เรียกว่าบรลมะสุขนิบานังปรมังสุขขังความสุขอันเลิศอันประเสริฐความสุขที่เต็มร้อยตลอดเวลาไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมด คือความสุขที่ได้จากการศึกษาพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นตามลำดับของการปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปลูกฝังหรือพยายามเพิ่มเติมให้มีอยู่เรื่อยๆก็คือศรัทธาความเชื่อมั่น ในความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ดีว่าท่านเป็นผู้ที่ <c oughs> สามารถสอนสามารถพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเองก็ด้ก็ดีหรือของพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายก็ดี เราถ้าได้ศึกษาแล้วเราจะก่อความเชื่อมัน่นเพราะพระพุทธเจ้าจะทรงเพราะคาสอนของพระพุทธเจ้าและการหลันตราวโลกนี้จะสอนตามหลักความเป็นจริงสอนหลักของเหตุผลเหตุคือการกระทำต่างๆผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเป็นขั้นเป็นตอน แล้วสามารถนําเอาไปพิสูจน์ได้เป็นขั้นเป็นตอนสอนขั้นแรกให้ให้ไปปฏิบัติก็ปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามก็จะเริ่มเห็นผลที่ปรากฏขึ้นมาก็จะทําให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะอยากจะปฏิบัติมากขึ้น จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นถ้าไม่มีศรัทธาแล้วความขยันหมั่นเพียรความหุดสาหะภาคเพียรนี้จะไม่เกิดจะมีแต่ความรู้สึกท้อแท้ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะถ้า ศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติด้วยนั้นจะทําให้ไม่เห็นผลพอไม่ให้พอไม่เห็นผลนี่กําลังใจที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็จะไม่มีและจะปฏิบัติต่อไปก็จะไม่มีเพราะว่าไม่รู้ว่าปฏิบัติไปแล้วไม่ได้อะไรไม่รู้จะไปปฏิบัติไปทําไม เหมือนกับถ้าไปทํางานที่บริษัทแล้วสิ้นเดือนบริษัทเขาไม่จ่ายเงินเดือนอกําลังใจที่อยากจะไปทําต่อเดือนหน้ามันก็ไม่มีนะแล้วเมื่อทํางานมาทั้งเดือนไม่มีเงินเดือนให้แล้วถ้าทํางานเดือนต่อไปจะมีเงินเดือนให้หรือเปล่ากําลังใจที่อยากจะไปทํางานมันก็จะไม่มี ถ้าไม่ได้รับผลตอบแทนของการทำงานบริษัทจึงต้องมีการจ่ายเงินเดือนให้ตรงเวลาเสมอเพราะรู้ว่าถ้าไม่จ่ายแล้วกําลังใจของพนักงานทำงานนี้จะไม่มีทำงานอาจจะไม่มีใครมาทำงานต่อได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีเงินเดือนคอยจ่ายให้ทุกเดือนไม่ให้ขาด เช่นเดียวกับการศึกษากับการปฏิบัติการศึกษานี้เพื่อเรียนรู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็ต้องนำอาไปปฏิบัติถ้าเราไม่ไปปฏิบัติเราก็จะไม่เห็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมันก็จะทำให้เรา ไม่มีความขยนันความอุตสาหะภาคเปลียนที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ยังไม่ได้รับผลจากการปฏิบัติและผลที่เหตุที่ไม่ได้ผลจากการปฏิบัติก็คืออาจจะศึกษาไม่ถ่องไม่ถ่องแท้ไม่เข้าใจที่ยังถูกต้องว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็พอไปนําเอาไปปฏิบัติ ผลก็เลยไม่เกิดขึ้นมาพอผลไม่เกิดขึ้นมาเลยก็เลยทำให้เกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายและในที่สุดก็อาจจะเลิกปฏิบัติไปก็ได้ดังนั้นถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้ผลสิ่งที่เราต้องทำก็ต้องวกกลับมาศึกษาคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี ของพาอาาระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีว่าท่านสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันออคำสอนที่เราควรจะศึกษาก็จากสองแหล่งนี้เท่านั้นคือจากพระพุทธเจ้าซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเช่นไปอ่านพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าพระสูตรที่สาคัญ เช่นธรรมจักกับวัตตนสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลสูตรอันนี้เป็นพระสูตรที่สอนให้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปศึกษาดูแลเปรียบเทียบดูว่าการกระทำของเรานี้เป็นไปตามที่ทรงสั่งสอนหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามคำสั่งสอนก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็ยังมีคำสั่งคำสอนของพระอาลหลานตาสาวัซึ่งยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้นยุคนี้หรือ ที่มีอยู่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานคำสั่งคำสอนของท่านก็ยังมีการบันทึกเอาไว้เป็นหนังสือธรรมะเ ป, เ, เป็นเสียงธรรมที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆที่สามารถเข้าไปศึกษาและเข้าไปเรียนรู้ได้ต้องศึกษาก่อนศึกษาให้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ในวิธีการกําจัดความทุกข์การที่จะกําจัดความทุกข์นั้นก็ต้องกําจัดด้วยการฝึกสติก่อนฝึกสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วก็จะได้ไปเจริญปัญญาเมื่อได้ปัญญาแล้ววิบูติ เกิการหลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็จะเป็นผลตามมาตามลาดับดังนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติอยากจะหลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ผู้ปฏิบัติจาเป็นที่จะต้องหมั่นเจริญสติอยู่ตลอดเวลายิ่งเจริญสติได้มากเท่าไหร่ ผลจะก็จะยิ่งเกิดขึ้นมาตามลำดับเจริญน้อยผลก็จะเจริญก็จะเกิดน้อยเรื่องตอนนี้ต้องหมั่นเจริญสติก่อนวิธีเจริญสติเจริญอย่างไรถึงจะเรียกว่าเจริญสติเป้าหมายของการเจริญสติก็เพื่อควบคุมความคิดต่างๆไม่ให้คิดเลื่ยเปื่อย ควบคุมไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็สร้างความทุกข์สร้างความวิตกสร้างความกังวลสร้างความหวาดกลัวต่างๆขึ้นมาภายในใจโดยใช่เหตุควบคุมความคิดไม่ให้คิดฟุง้งซ่านไม่ให้คิดเศร้าสร้อยงอยเหงาครับ อาการต่างๆที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจของพวกเราเนี้ยหรือความทุกข์ชนิดต่างๆนี้มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจของเราเองคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์เศร้าขึ้นมาคิดไปแล้วก็เกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังเกิดความวิตกเกิดความกังวลกับเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นสิ่งที่เราไปค wow วบคุมบังคับไม่ได้อยู่ดีเรื่องราวต่างๆเขาจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรอย่างไรมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับได้ตลอดเวลาบางครั้งบางเวลาเราอาจจะควบคุมบังคับได้แต่บางครั้งบางเวลาเราก็จะไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ ไปคิดถึงเรื่องราที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันก็จะทําให้เราเกิดความเครียดเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานั่นเองดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะหยุดความทุกข์ต่างๆนี้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือสติการจะมีสติได้นี้จําเป็นที่จะต้องบังคับให้จิตคิดอยู่กับเรื่องเดียวรู้อยู่กับเรื่องเดียว จะให้รู้อยู่กับคําบริกรรมพุทธโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ใจเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ได้แต่ถ้าเราไม่มีการบริกรรมพุทโธพุทโธเดี๋ยวใจเราก็แวบไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดถึงเรื่องที่เราทาอะไรไม่ได้ มันก็จะทำให้ใจเราว่าวุ่นขุนมัวขึ้นมาได้แต่ถ้าเราหมั่นขยันบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆความคิดต่างๆที่จะไปคิดเรื่องที่จะทาให้เกิดความทุกข์ต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาเหตุการณ์ต่างๆที่มีในโลกนี้เราจะคิดหรือไม่คิดมันก็ไม่ได้ไปเปลีป่ย น, นแปลงเขา เขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาเราอยู่ในโลกของอนิจจังอนัตตาออนิจจังก็คือโลกของการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอนานันตาก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการได้เป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศที่เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยของผู้ใดที่จะไป ควบคุมบังคับให้เป็นไปความต้องการได้อย่างนั้นคิดไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสู้อย่าไปคิดดีกว่าอย่าไปคิดแล้วใจก็จะว่างใจเย็นจะสบายเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันเกิดขึ้นไปมันจะไม่สามารถมากระทบกับจิตใจของผู้ที่มีสติได้ มันจะเหตุการณ์จุรุนแรงร้ายกาจขนาดไหนภัยพิบัติจะมาโหราญยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็จะไม่มาทำให้ใจทุกข์ได้ถ้าใจมีสติใจมีพุโทโธคอยหยุดความคิดมันสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นกับร่างกายที่ไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็ต้องแก่เจ็บตายไปอยู่ดีไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหือไม่ก็ตาม เช่นเหตุการณ์โรคระบาด ท, ที่ผ่านมาสองปีกว่าถ้ามันจะทำให้คนร่างกายตายก็ไม่มีใครไปหยุดมันได้ถ้ามันจะไม่ทำให้คนร่างกายของตายมันก็ไม่ตายมันก็อยู่ต่อไปแต่อยู่ไปก็รอความตายอยู่ดีเพราะโดยธรรมชาติของร่างกายมันหนีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วย นีความตายไปไม่ได้ด้วยกันทุกคนถ้าไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วเกิดทำเกิดทาให้ใจเครียดเกิดทำให้ใจทุกข์วิตกกังวลก็อย่าไปคิดถึงมันดีกว่าทำใจให้สงบอยู่ดีกว่าเพราะคิดหรือไม่คิดมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีแต่ถ้าเราไม่คิดเราทำใจให้ว่างใจเราจะไม่ทุกข์กับมันนี่คือ การฝึกสติเพื่อคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดความคิดมันจะหยุดก็ต่อเมื่อเราเอามาคิดในทางพุทโธพุทโธพุทโธก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งการคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็เป็นความคิดอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวคิดตัวเดียวกันนี่แหละถ้าเราเอาตัวคิดนี้มาคิดในทางพุทโธ มันก็จะไม่สามารถไปคิดในทางเรื่องวุ่นวายต่างๆได้อันนี้คืออุบายของการฝึกสติเจริญสติใจจำเป็นที่จะต้องมีอะไรคอยคอยหยุดความคิดยั น, นพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆด้วยวิริยะด้วยความอุตสาหะด้วยศรัทธาความเชื่อ เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนคือการเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต่อการดับความทุกข์ต่างๆดังที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่าธรรมทั้งปวงทรงเปรียบสตินี้เป็นเหมือนกับรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนี้สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดที่มีอยู่ในป่าได้สัตว์ทุกชนิดนี้ไม่มีรอยเท้าที่จะใหญ่กว่ารอยเท้าของช้างได้ฉะนันใดธรรมะทุกชนิดก็ไม่มีธรรมะชนิดไหนที่จะยิ่งใหญ่ที่สำคัญกว่าสติอถึงแม้ปัญญาจะเป็นตัวที่จะทำลายความทุกข์ให้หมดสิ้นไป แต่ปัญญาที่ไม่มีสติก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้สมาธิที่มีพลังที่จะหยุดความทุกข์หยุดกิเลสตัณหาต่างๆก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสตินั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นอย่างนิ่งที่จะต้องฝึกสติเจริญสติก่อนเหมือนกับนักเรียนนักศึกษา ที่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่ก่อนถ้าไม่เรียนกอไก่ขอไข่นี่จะไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เมื่อไม่อ่านอ่านออกเขียนไม่ได้มันจะไปเรียนรู้วิชาการต่างๆที่เขาบันทึกเป็นตัวอักษรนี่ก็จะไม่สามารถเรียนได้อย่างนี่คือมันมีขั้นตอนการกระทำต่างๆมีขั้นตอน การเรียนหนังสือเพื่อให้ได้ความรู้ได้ปริญญาระดับต่างๆก็ต้องเริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่ก่อนถ้าไม่มีกอไก่ขอไข่นี่ก็จะอ่านหนังสือไม่ออกเรียนหนังสือไม่ได้เมื่อเรียนหนังสือไม่ได้ก็จะไม่มีความรู้เวลาไปสอบเพื่อจะรับปริญญาก็สอบไม่ผ่านเพราะไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงเขียนคําตอบก็เขียนไม่ได้อ่านคําถามก็อ่านไม่ได้ ถึงแม้ปริญญานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ากอไก่ขอไข่ก็ตา่างแต่ถ้าขาดการเรียนกอไก่ขอไข่ก่อนก็จะไม่สามารถไปสู่ระดับปริญญาได้เช่นเดียวกับธรรมก็คือสตินี้เป็นธรรมที่จําเป็นเป็นธรรมที่สําคัญที่สุดถ้าไม่เริ่มที่สติแล้วจะไม่สามารถ ไปสู่ทำขั้นอื่นได้คือขั้นสมาธิและขั้นปัญญาและขั้นวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จำเป็นต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามขั้ น, นตอนไม่ได้ข้ามขั้ น, นตอนแล้วก็จะไม่เกิดผลนั่นเองดังนั้นถ้าเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดี ของพระาอารันตสาโรครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนทั้งหลายก็ดีแ้ะไม่มีรูปไหนที่จะไม่สอนสติเป็นเลื่องต้นไปทุกแห่งทุกขนไปศึกษาธรรมจากพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมจากพระาอารันตสาโรนท่านจะสอนให้ฝึกสติเป็นสิ่งแรกในการปฏิบัติอันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของศีลที่ ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีมาก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติได้คือต้องมีศีลของนักบวชเช่นศีลแปศีลสิบศีลแปก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาศีลสิบก็เป็นสมนัมมาเนือแม่ชีแล้วก็ศีลสองอยิบเจ็ดถ้าเป็นพระภิกษุต้องผ่านขั้นศีลก่อนเมื่อมีศีลแล้วก็จะได้มามาเจริญสติได้ การเจริญสตินี้ถ้าจะเจริญให้ได้ผลดีต้องเจริญในค้าพของนักบวชของนักปฏิบัติคือเป็นผู้ที่มีเวลาว่างจากภารกิจการทำมาหากินถ้ายังต้องทำมาหากินไปทำงานตามปกติอยู่นี้จะไม่สามารถที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ การเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีเวลานั้นจะต้องเป็นเวลาที่ไม่มีการไปทําภารกิจการงานอย่างอื่นยกเว้นภารกิจที่จําเป็นเช่นการเลี้ยงดูร่างกายอาบน้ําล่างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลทำความสะอาดสถานที่พักทนะ่นั้นแต่การกระทํางานเหล่านี้ก็สามารถที่จะ จเจริญสติควบคู่ไปเลยได้เพราะว่างานเหล่านี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ความคิดมากเพราะาเป็นงานที่รู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรอย่างไรไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์วิจัยว่าต้องทําอย่างไรอย่างอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่เพราะเป็นงานง่ายเป็นงานที่เคยทําอยู่แล้วพอทําก็ไม่ต้องใช้ความคิดสามารถใช้พุโทโธควบคู่ไปกับการทํางานได้ ทำงานอาบน้ํานั่งหน้าแปรงฟันไปก็พุโทโธพุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัววิผ้าหวีผมก็พุโทโธพุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธพุโทโธไปพอเสร็จภารภากิจที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็เอาเวลามาเจริญสติต่อด้วยการเดินจงกร ม, มเดินจงกรมไปกับก็พุโทโธพุโทโธไป เดินไปก็พุทโธไปก้าวเท้าซ้ายก็พุทโธก้าวเท้าขวาก็พุทโธซ้ายขวาซ้ายขวาไปพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าให้มีความคิดปรากฏขึ้นมาถ้าทำอย่างนี้ได้ใจจะเบาจะว่างจะเย็นแล้วจะพร้อมกับการเข้าสู่การปฏิบัติขั้นที่สองคือการไปฝึกสมาธิได้ การฝึกสมาธิก็เพื่อทำให้ใจนิ่งใจก่อนที่ใจจะนิ่งได้ใจจะต้องอมีสติควบคุมความคิดไม่ให้เกิดความคิดแล้วก็ควบคุมร่างกายไม่ให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวด้วยการจะเข้าสมาธิจึงจาเป็นที่จะต้องอยู่ในท่านั่งสังเกตดูพระพุทธรูปแต่และพระพุทธรูปนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในท่านั่งท่าขัดสมาธิท่านั่งสมาธิ เพราะว่าการที่จะทําทให้ใจสงบนิ่งได้นี้น่างกายต้องนิ่งก่อนร่างกายต้องไม่เคลื่อนไหวต่างๆถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหวร่างกายใจก็จะไม่มีวันที่จะนิ่งเป็นสมาธิได้ได้อย่างมากก็คือสติคือใจว่างใจเบาแต่ยังไม่นิ่งยังมีการรับรู้มีการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ แต่ไม่มากไม่ถึงกระดับฟุ้งซ่านแต่จะไม่สามารถเข้าสมาธิได้การเข้าสมาธินี้ต้องมีสติที่เป็นสัมปชัญญะคือเป็นสติที่ต่อเนื่องไม่พลัง้งไม่เผลอไม่ลืมมีพุทธโธอยู่แทบตลอดเวลาเวลาใดที่ใจมีความคิดนี้จะเป็นต้องใช้พุทธโธขึ้นมาหยุดมันทันที แต่เวลาใดที่ใจไม่คิดก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ก็ให้ใช้การดูเฉยๆหรือว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็เฝ้าดูไปจนกว่าเราพร้อมที่จะมานั่งสมาธิเนี่ยพอพร้อมแล้วเราก็นั่งสมาธิในท่านั่งขัดสมาต์ขวาขาเท้าขวาทับเท้าซ้ายขาขวาทับ ขาซ้ายนั่งตั้งตัวให้ตรงเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ให้หลับเวลานั่งตัวงอนนี้มันจะมากจะง่วงจะหลับได้ง่ายกว่าพยายามนั่งให้ตัวให้ตรงแต่ไม่ต้องถึงกับเกรง็งไม่ต้องไปถึงกับบังคับให้มันตรงเปี้ย <c oughs> <c oughs> เวลาเริ่มต้นก็ตั้งให้มันตรงแล้วถ้าเวลาไปทําสมาธิเดินเจริญสติทําสมาธิ ช่วงนั้นก็อย่าไปสนใจกับท่านของร่างกายถ้าเกิดความรู้สึกว่ามันมันงอหรือมันเอ็นมันเอียงอย่างใดอย่างหนึง่งไม่ต้องไปคอยปรับมันพอเราเริ่มต้นภาวนาแล้วเราจะไม่ยุ่งกับร่างกายเพราะถ้าเรากลับมายุ่งกับร่างกายก็เหมือนกับการกลับมาเริ่มต้นใหม่เราไม่ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ เหมือนเวลาเราเดินทางออกจากบ้านไปเราก็พุ่งไปที่เป้าหมายจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไม่ใช่มานึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อ้อลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้ลืมปิดประตูบ้านลืมปิดไฟอา้ากลับมาขับรถย้อนกลับรถกลับมาเพื่อที่จะมาปิดไฟปิดอะไรเดี๋ยวขับไประยะหนึ่งอา้าวเมเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องกลับมาอาีก ถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางการปฏิบัติก็เหมือนกันจุดหมายปลายทางของจิตคือการออกจากร่างกายตอนนี้จิตมันมาเกาะติดอยู่กับร่างกายเป้าหมายของการที่จะทำให้จิตนิ่งจิตสงบนี้จิตต้องออกจากร่างกายจิตต้องถอนสมอถอนสายที่มาผูกติดอยู่กับร่างกายสายที่มาผูกติดกับร่างกายนี้มีอยู่ห้าสาย เรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางร่างกายนี้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เป็นผู้มาเกาะมาติดกับร่างกายเพื่อจะได้รับข้อมูลผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองทางที่ใจรู้ได้ว่ามีรูปอะไรมีเสียงอะไรนี้ก็เพราะว่ามีวิญญาณนี้แหละมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกาย พอมีรูปมาสัมผัสกับตาปั๊บรูปนี้มันก็จะวิ่งเข้ามาที่ทางสายของจักขุวิ ญ, ญญาณวิญญาณทางตา ท, าทันทีวิญญาณคือการรับทราบรับทราบรูปจักขุวิญญาณก็คือเป็นวิญญาณที่รับทราบรูปเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่รับทราบเสียงก็เรียกว่าโสตะวิญญาณมีชื่อแต่ละชื่อเป็นภาษาบาลี แต่ขอให้เข้าใจว่าไม่ต้องรู้ชื่อก็ได้ขอให้รู้ว่าการที่ใจจะรับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะได้นี้ต้องอาศัยวิญญาณที่ใจส่งมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายแต่เวลาทําสมาธินี้ต้องการที่จะระงับการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสไว้ชั่วคราวเพราะการรับรู้จะทําให้ใจไม่นิ่งไม่สงบเลย จึงจำเป็นต้องใช้สติพุทโธพุทโธพุทโธถอนสายที่มายึดปะติดกับตาหูจมูกลิ้นกายคือสายวิญญาณห้าสายนี้ให้แยกออกจากกันชั่วข่าวพอใจมีสติที่สามารถดึงให้ใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระได้หยุดความคิดปรุงแต่งได้ ใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธินี้มีสามชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิชนิดที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิและชนิดที่สามเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธินี้มันจะเกิดตามลำดับคณิกะแล้วก็อัปปนาแล้วค่อยอุปจารสมาธิ แต่ท่านที่ไม่เคยปฏิบัตินี้ก็จะคิดว่าอุปจารสมาธิเกิดก่อนอนิกะเกิดก่อนอัปปนาสมาธิอันนี้เป็นความเข้าใจผิดถ้าไม่ปฏิบัติจะเข้าใจผิดถ้าไปแปลตัวอักษรอุปจาระแปลว่าการกําลังเข้าสมาธิไม่ใช่คาจริงเข้าไปแล้วแล้วไม่อยู่ในสมาธิถอนออกมาออกไปเที่ยวในโลกทิศ เรียกว่าอุปจารสมาธิในเบื้องต้นนี้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติครั้งแรกที่ได้ความสงบครั้งแรกนี้ความสงบนี้จะสงบแป๊บเดียวเพราะอะไรเพราะสตินี้มีกำลังยังมีกำลังน้อยมากมีกำลังสามารถที่จะดึงกระแสจิตกระแสวิญญาณออกจากตาหูจมูกมนิ้กาย น่ายเพียงแป๊บเดียวสงบเ่าเรียกแบบว่าสงบแบบนกกระจอกกินน้ำเหมือนฟ้าแลบหรืองูแลบลิ้นเรียกว่าคณิกาสมาธิจิตสงบนิ่งเย็นสบายแต่ชื่วแป๊บเดียวเรียกว่าคณิกะสมาธิเพราะว่าสติในเบื้องต้นนี้ยังมีกำลังน้อยอยังสู้กำลังของความอยากรับรู้ลูกเสียงกลิ่นรสผดทพะ ที่คอยผลักดันให้กระแสของวิญญาณนี้มาคอยติดอยู่ที่ตาหูจมูกนิ้นกายอยู่เรื่อยๆพอสงบได้แวบหนึ่งปั๊บมันก็ถอยกลับมาหารูปเสียงกลิ่นมาที่ร่างกายใหม่มารับมารับความรู้สึกผ่านทางร่างกายใหม่ทันทีแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ผลดีของการนด้คณิกาสมาธิคืออะไร ดีก็คือการได้เห็นหนังตัวอย่างหรือสินค้าตัวอย่างบางทีเวลาที่เราจะไปซื้อสินค้าอะไรบางชนิดนี้ถ้าเราได้ทดลองก่อนนี่เราจะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นบริษัทที่ขายบางทีเขาก็มีการให้ไปทดลองได้เจ็ดวันอย่างนี้ลองใช้ดูเจ็ดวันถูกใจไ้ยดีไหมถ้าถูกใจก็ซื้อไปเลย ถ้าไม่พอใจภายในเจ็ดวันก็เอามาคืนได้เอามาคืนให้คืนสินค้าแล้วก็จะคืนเงินให้ครบทั้งร้อยนี่คือกานิกะสมาธิเป็นเป็นการได้ได้ทดสอบได้สัมผัสได้ลองสัมผัสกับความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพะพุทธจ้าทรงตัดว่านัตถิสันติป ร, รังสุขขัง สุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์เป็นเงินทองกองเท่าภูเขาสุขที่ได้จากการได้เป็นใหญ่เป็นโตในในระดับต่างๆสุขที่ได้รับจากการได้รับรางวัลความยกย่องสรรเสริญเช่นตุ๊กตาทองเหรียญทองโอลิมปิกรางวัลอะไรต่างๆ และความสุขที่ได้จากการเสกรูปเสียงกลิรสได้ไปเที่ยวไปดูไปกินไปฟังไปดื่มอะไรต่างๆนี้ต่อให้มันวิเศษขนาดไหนต่อให้เป็นระดับ VIP ระดับหดาวก็ตามเมื่อได้มาสัมผัสกับความสงบที่เกิดจากคณนิกะสมาธิแล้วนี้มันเป็นเหมือนฟ้ากับดินเลยความสุขที่ได้จากคานิกะสมาธิ แม้จะเป็นเพียงชั่วแวบเดียวเท่านั้นมันจะทำให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดมหาสจัญใจเป็นอย่างยิ่งว่าไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้เลยถึงกับขนลุกเลยก็ได้ เ, เพียงแต่พูดถึงมันแค่นี้มันก็ทำให้เกิดขนลุกขึ้นมาได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มหาสจัญใจ ที่มันมีอยู่ในตัวของเราด้วยเนี่ยสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่มันทำให้เราเราโง่มาต้องนาเนเราโง่ไปหาความสุขต่างๆจากลาบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกลิ่นรสผพทภาพกันมาทั้งชีวิตแล้วเป็น ผ, ผลเป็นยังไงได้ความสุขที่แท้จริงหรือไม่หรือเป็นความสุขปลอมแล้วก็มีความทุกข์คอยตามมาให้เราต้องคอยปวดศรีรษะอยู่เรื่อย อันนี้คือประโยชน์ของการได้สัมผัสกับคณิกะสมาธิสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าสมาธิได้เลยเบื้องต้นนี้จะได้คณิกะสมาธิก่อนพอเข้าไปแล้วปั๊บเดียวก็ถอนออกมาแต่ประสบการณ์ที่ได้รับจากความสงบนี้มันจะทำให้ มีความยินดีที่อยากจะเข้าสมาธิบ่อยๆแล้วอยากจะปฏิบัติสมาธิอยากจะเจริญสติทีนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมสติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเพราะถ้าไม่มีสตินี้จะไม่สามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้นั่นเองพอพอได้ความสุขจากสมาธิแล้วต่อไปก็อยากจะทำให้มากขึ้นด้วยการเจริญสติให้มากขึ้น เอาจากสมาธิมานี้ไม่ทําอะไรแล้ทีนี้เอาแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาแต่คอยเฝ้าดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่เท่านั้นอย่าไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้เสียเวลาต่อไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้นคนนั้นคนนี้เป็นเหมือนขยะทั้งนั้นเนะ่ยเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่เราจะได้รับจากเรื่องราวเหล่านั้นมักจะได้แต่เรื่องปวดหัว เรื่องวิตกเรื่องกังวลเรื่องอะไรต่างๆไม่รู้จักจบจากสิน้นคิดไปทำไมคิดไปให้ทุกไปเปล่าๆช่วยหยุดความคิดดีกว่าช่วยอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธหรืออยู่กับการดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปท่านี้ดีมีประโยชน์มากกว่าแล้วพอเราพร้อมเราก็กลับมานั่งอีก นถ้าได้ครั้งแรกแล้วทีนี้จะนั่งบ่อยขึ้นแล้วอยากจะนั่งบ่อยขึ้นนั่งมากขึ้นเพราะว่านั่งต่อไปครั้งต่อไปมันจะสงบได้นานขึ้นนั่นเองพอมันสงบได้นานมันไม่เด้งออกมาเหมือนครั้งแรกเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่สำคัญที่สุดในบรรดาสมาธิทั้งสาร ธนิกาสมาธินี้เป็นเหมือนสมาธิระดับของเด็กเล็กยังเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่อัปนาสมาธินี้เป็นเหมือนสมาธิของระดับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทํางานอะไรได้มากกว่าเด็กเด็กทํางานอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็มีประโยชน์ตรงที่ทําให้เกิดความเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของความสงบว่ามีความสําคัญอย่างไรงัง้น ขั้นต่อไปพอได้ขั้นนีกะสมาธิแล้วก็ทีก็จะมาเจริญหมั่นเจริญอัปปนาสมาธิอยู่เรื่อยๆจเจริญสติเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะสงบได้นานขึ้นเข้าได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะเริ่มมีความชํานาญนางปั๊บเดียวห้านาทีก็สงบ สงบได้นานขึ้นจะเป็นห้านาทีเป็นสิบนาทีเป็นยี่สิบนาทีเป็นสามสิบนา ท, เนนาทีเป็นชั่วโมงก็มีลลยชั่วโมงก็มีแล้วแต่ว่าเราทำมากทำน้อยยิ่งทำมากยิ่งดีเพราะใจยิ่งมีความสงบใจยิ่งมีความสุขและสิ่งที่สำคัญที่ได้จากอั ป, ปนาสมาธิก็คือปุเบคาปุเบขาก็คือการวางเฉยหรือการว่างจากความลาบ จากความรักชังกลัวหลงใจที่มีอุเบกขานี้จะเฉยเฉยเวลาได้อะไรมาเสียอะไรไปก็ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่รักไม่ชังใครด่าก็ไม่โกรดใครชมก็ไม่ดีใจใจเฉยเฉยกับการรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสปธดทาพะชนิดต่างๆและอารมณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายในใจก็ได้ ใจจะรู้สึกเฉยๆอันนี้แหละเป็นตัวสําคัญเพราะจะเป็นตัวที่จะทําให้สนับสนุนในการเจริญปัญญาการใช้ปัญญาเพื่อกําจัดกิเลสตัณหาและความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปอันนี้คือสมาธิที่ถูกที่ที่ควรที่จะเจริญก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิ แต่มีสมาธิอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าอุปจารสมาธิอันนี้เกิดขึ้นน้อยกับไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติทุกคนบางคนมีความสามารถพิเศษพอเข้าอัปปนาสมาธิได้แล้วก็แวบออกไปทางอุปจารสมาธิคือไม่นิ่งเฉยไม่สักแต่ว่ารู้ไม่อยู่กับอุเบกขาเอาไปรับรู้เรื่องราวต่างๆในของโลกทิพย์ ไปอ่านกระแสจิตของผู้อื่นได้ผู้อื่นกำลังนั่งคิดอะไรอยู่นี่ก็ไปรับรู้ได้ก็ เ, เป็นเหมือนกับมีเครื่องรับสัญญาณวิทยุความคิดของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนเหมือนกับกระแสวิทยุที่เขากระจายเสียงเราคิดอะไรนี่มันก็จะมันก็จะส่งออกไปในโลกทิพย์แล้วใครมีอุปจารสามาธิก็เป็นเหมือนมีเครื่องรับมีขึ้นรับขึ้นข อ, ข, อของความคิดของเราได้ เรานั่งคิดอะไรอยู่เขาอยู่ใกล้ๆเราเขาก็รู้แล้วกำลังคิดถึงเรื่องนั้นกําลังคิดถึงเรื่องนี้หรือแม้เช่นั้นก็สามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้กายทิพย์ก็มีทั้งหลายระดับมีตั้งแต่ระดับต่ําระดับสูงระดับต่ําก็พวกเปตพวกศูนย์ากายระดับสูงก็เป็นพวกเทวดาเทวดาชั้นต่างๆ ตรงนี้ถ้าอยากจะติดต่อเขานี้ต้องใช้อุปจารสมาธิอุเบกขานี้เป็นเหมือนปิดมือถือไม่ไม่เปิดรับรู้เรื่องอะไรอุปจารสมาธินี้เป็นเหมือนกับการเปิดมือถือเปิดเพื่อรับสัญญาณเข้าออกของผู้อื่นได้ ผู้ที่ได้ความรู้ความสามารถอันนี้มีน้อยมากไม่ต้องกังวลถ้าเราไม่มีไม่ต้องไปกังวลมันไม่มีคุณมีประโยชน์ในการที่เราจะใช้เพื่อการดับความทุกข์ต่างๆแต่มันเป็นความสามารถพิเศษที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเราลึกชาติได้ติดต่อกับเทวดาได้อนันความคิดของผู้อื่นได้อันนี้นอยู่ที่ บนญเก่าที่เคยอ่านได้สะสมมาในอดีตแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าดีกว่าดีกว่ามีเพราะถ้ามีแล้วถ้าเกิดไม่มีใครสอนนี่อาจจะหลงอาจจะคิดว่านี่แหละคือผลที่ต้องการแต่อุปจาราสมาธินี้ไม่สามารถดับความทุกข์ไม่สามารถดับกิเลสปัญหาที่มีอยู่ในใจได้ อุปจารสมาธินี้เพียงแต่ทําให้เรามีอภิญญามีความสามารถพิเศษเท่านั้นเองมีประโยชน์ในการเผยแผ่ธรรมเช่นเวลาที่เราบรรลุธรรมอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงบรรลุธรรมแล้วก็ใช้อุปจารสมาธินี้ติดต่อกับเทวดาเพื่อสอนพระพุทธมารดาพระพุทธมารดาหลังจากคลอดเจ้าชายสิทธัตถะมาได้เจดวันก็เสด็จสวนโคตไปไปอยู่บนสวรรค์ นี้พอพระพุทธเจ้าได้ตัดสัตวเป็นพระพุทธเจ้าก็อยากจะทดแทนบุญคุณให้กับพุทธมารดาก็เลยใช้กระแสจิตของอุปจารสมาธินี้ส่องหาจนได้พบกับพุทธมารดาจึงได้ทรงแสดงธรรมให้กับพุทธมารดาอยู่ตลอดเวลาสมเดือนด้วยกันหนึ่งพรรษาจนพระพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่ง ถึงขั้นพระโสดาบันพอได้ถึงขั้นที่หนึ่งแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติด้วยตนเองได้ไม่ต้องมีใครสอนไปจนถึงขั้นสูงสุดได้ต่อไปเพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ต้องสอนต่อสอนให้บรรลุปเป็นพระโสดาบันได้แล้วก็บ่อยให้ท่านปฏิบัติเองได้ต่อไปอันนี้เกิดจากการมีความสามารถทางอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้มีประโยชน์ในการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แต่ไม่มีประโยชน์ในการทําประโยชน์ให้กับตนเองในเรื่องของการดับความทุกข์ในเรื่องของการกําจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านนั่งสมาธิแล้วถ้าเกิดจิตนิ่งแล้วไม่ยอมอยู่ในอปปนาสมาธิออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆก็อย่าเพิ่งปล่อยให้มันออกไปเพราะมันเป็นเหมนกับเด็กนักเรียนที่หนีเรียนนักเรียนให้อยู่ในห้องเรียน แต่พอคู่เผลวปั๊บแว บ, บออกไปเที่ยวไปเล่นกันข้างนอกมันก็จะไม่ได้เรียนหนังสืออันใดอุปจารสมาธิก็เป็นเหมือนกับการหนีออกจากห้องสมาธิเพราะว่าเราต้องการอยู่ในห้องสมาธินานๆเพื่อสร้างอุเบกขาสร้างกําลังหยุดกําลังที่เราจะมาหยุดกิเลสได้ น, นี่ต้องใช้อุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาถึงแม้มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะหยุด กิเลสตัณหาหยุดความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาสร้างขึ้นมาไม่ได้เน้นต้องพยายามในขั้นสมาธินี้ต้องพยายามเจริญอปปนาสมาธิให้มากๆให้บ่อยๆอย่าออกไปทางอุปจารสมาธิถ้ามีความสามารถอันนี้เก็บเอาไว้สําหรับใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้อื่นหลังจากที่เราได้ช่วยเหลือตัวเราไว้ก่อน ช่วยเราให้เราพ้นทุกข์ก่อนนะแล้วเราค่อยไปช่วยพวกกายทิพย์ทั้งหลายให้เขาได้หลุดพน้นหรือช่วยคนที่กำลังจะหลุดพน้นคนที่มีความสามารถเพราะเราสามารถที่จะอ่านกระแสจิตของเขาได้เราจะรู้ว่าจิตของเขานี้มีความรู้ความสามารถในระดับไหนพร้อมที่จะไปสอนธรรมะในระดับไหนให้กับเขาได้เพนเ เรื่องของอุปจารสมาธิคือเรื่องอภิญยาต่างๆนี้เป็นเรื่องของแถมอย่าไปสนใจถ้าเรายังไม่ได้หลุดพ้นถ้าภารกิจการปฏิบัติธรรมของเรายังไม่พ้นยังดับความทุกข์ต่างๆไม่ได้อย่าพึ่งไปทางนั้นพยายามกลับมาเข้าให้ดึงกลับมาให้อยู่ในสมาธิในอั ป, ปนาสมาธิให้นิ่งเฉยให้สักแต่รู้ไปเรื่อยๆจนกว่ า, าจะออกจากสมาธิมา พอเราชำนาญทางอัปปนาสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาเจริญขั้นปัญญาต่อไปปัญญานี้เป็นขั้นที่เราจะต้องเอามาสอนใจให้เรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุของการหลุดพ้นจากความทุกข์บางทีเราทุกข์กันแต่เราไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราทุกข์ใจกันบางทีเราทุกข์เราก็ไปโทษว่าวันนี้อากาศไม่ดีทาให้เราทุกข์ วันนี้เศรษฐกิจไม่ดีทาให้เราทุกข์วันนี้คนนั้นไม่ดีพูดจาไม่ดีกับเราทำให้เราทุกข์อันนี้ไม่ใช่เหตุที่ทำให้เราทุกข์ที่แท้จริงเหตุที่ทุกข์ที่แท้จริงในอริยาาสัจสนี้ท่านบอกว่าเกิดจากความอยากของเรานั่นเองอยากให้เศรษฐกิจมันดีพอมันไม่ดีใจก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่ได้ดังใจอยากอยากจะให้คนนั้นเขาดีพูดดีกับเราเราเขาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์<ล> อยากจะให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอ เ, เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมา ท, ทันทีอันนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่คนนั้นคนนี้แต่ใจของเราความอยากที่มีอยู่ในใจของเราที่เราเรียกว่ากิเลสตัณหานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ นี่ก็สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการมีปัญญาต่อไปเราจะได้ไปแก้ปัญหาให้ถูกจุดไม่ใช่ไปแก้ปัญหาที่เศรษฐกิจเห็นไหมทั่วประเทศทุกประเทศในโ่งแก้กันเป็นตั้งแต่กี่ยุคกี่สมัยมานะก็แก้ไม่ได้สักทีก็เจอเศรษฐกิจที่มันขึ้นๆลงๆตามธรรมชาติของมันเดี๋ยวก็เศรษฐกิจก็ขึ้นขึ้นสูงๆแล้วมันก็ลง เหมือนขับรถขึ้ น, ข, นขึ้นขึ้นเขาลงห้วยนี่ยนะมันไม่ได้ขึ้นไปตลอดหรอกขึ้นไปตลอดมันก็ไปทะลุท้องฟ้าแล้วมันขึ้นถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องลงลงถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องขึน้นเป็นเรื่องของปกติของโลกนี้เรียกว่อาอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอน ม, นมีการเจริญมีการเสือ่อมเป็นธรรมดาฉะนั้นของเหล่านี้นักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายไม่ไปแก้ให้เสียเวลามาแก้ตัวที่ทําให้ใจ่ายทุกข์ก็คือความอยาก อยากให้ทุกสิ่งมันเที่ยมอยากให้ทุกสิ่งมันดีตามที่เราต้องการแต่ไม่มีอะไรที่เราสามารถที่จะไปทําให้มันดีได้ตลอดอยากให้ร่างกายเราดีตลอดแข็งแรงตลอดไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่ตายทําไม่ได้หรอทําได้บางเวลาในระดับหนึ่งตอนนี้ถ้าอายุยังไม่แก่ก็ทําให้มันไม่แก่ได้แต่พอมันอายุมากขึ้นมากขึ้นจะไปห้ามมันไม่ให้มันแก่ไม่แก่มันก็ห้ามมันไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าภาษาว่คนที่มีปัญญาคนที่รู้อริยรรสัจสี่นี้จะไม่ไปแก้เรื่องของความทุกข์ที่ผู้อื่นสิ่งอื่นแต่จะมาแก้ที่ใจของตัวเองแก้ที่ความอยากถ้าถ้ามันทุกข์เพราะความแก่ก็อย่าไปอยากไม่ให้มันไม่แก่ทั้งนั้นเองเพอหยุดความไม่อยากแก่ได้เมื่อยากจะแก่ ก, แ ก, ก็แก่ไปก็ไม่เดือดร้อนมันอยากจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันอยากจะตายก็ปล่อยมันตายไปแล้วห้ามมันได้หรือเปล่า แต่ละห้ามมันไม่ได้ความแก่เจ็บตายห้ามไม่ได้แต่ห้ามความอยากได้ห้ามความอยากได้ด้วยปัญญาและสมาธิแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาถึงแม้รู้ว่าความอยากนี่เป็นตัวปัญหาก็หยุดมันไม่ได้เพราะเราไม่มีพลังของการหยุดไม่มีอุเบกขาเราถึงต้องฝึกสมาธิก่อนฝึกสมาธิแล้วเราถึงค่อยมา มาศึกษาทางปัญญาให้รู้ว่าสาเหตุของความทุกข์ของเรานี่มันไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆภายนอกมันเกิดที่ใจของเราเกิดที่ความอยากของเราเวลาเราทําสมาธิจิตเรานิ่งความอยากหยุดทํางานชั่วคราวพอไม่มีความอยากในขณะที่อยู่ในสมาธิความทุกข์ไม่มีเลยเราก็จะเห็นประโยชน์ของการไม่มีความอยากพอเราออกจากสมาธิมาพอเราเห็นหนู่นเห็นนี่ ก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เราก็ต้องหยุดมันทันทีด้วยปัญญาถ้าเรารู้ทันมันรู้ว่ามันกําลังสร้างความทุกข์ให้กับเราคือความอยากต่างๆอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราพอมันเกิดความอยากเราก็หยุดมันด้วยปัญญากับสมาธิ พอหยุดแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปความกังวลต่างๆก็หายไปหมดอยู่กับความแก่ได้อย่างสบายอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างสบายอยู่กับความตายได้อย่างสบายนี่แหละคือวิธีการดับความทุกข์ทั้งหลายด้วยปัญญาขั้นสุดท้ายแต่ก่อนจะมาถึงขั้นปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนและก่อนที่จะมีสมาธิก็ต้องมีสติก่อนและก่อนที่จะมีสติก็ต้อง ไปถือศีลก่อนให้ได้ไปอยู่แบบนักบวชให้ได้หยุดการทำงานต่างๆเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติอย่างเดียวซึ่งในถ้าเรายังต้องทามากินอยู่แล้วก็แบ่งเวลาได้เราไม่ได้ทำทุกวัน อ, อาทิตย์หนึ่งแล้วก็มีวันหยุดสองวัน เอาวันหยุดสังวันเนี่ยไปปฏิบัติธรรมกันไปอยู่ที่สงบไปอยู่ตามวัดที่มีความสงบแล้วก็ใช้เวลาสังวันนั้นปฏิบัติธรรมาปฏิบัติรักษาสีงเจริญสติสมาธิและปัญญาถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติถึงแม้ไม่ได้รับมากก็ตามมันก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติแล้วต่อไปมันก็จะทาให้เราต้องการที่จะห ย, ยุดการทางานให้น้อยลงไป เราก็จะทำงานเท่าที่จำเป็นทำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วต่อไปพอเราปฏิบัติยิ่งมากขึ้นใจเรามีความสุขมีพลังมากขึ้นเราก็อาจจะสามารถไปปฏิบัติอย่างเป็นที่ได้ต่อไปเราก็ต้องเริ่มต้นจากน้อยไปหามากก่อนไม่ใช่พอได้ยินได้ฟังทำแล้วก็ไปบวชกันเลยตอที่บวชแล้วก็ทาไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องเสร็จ อ, อยู่ดีเดีย๋ยว้องทำตามกำลังของเราไปก่อน ตามให้มันมีความมั่นใจไปในแต่ละขั้นเราทำได้แล้วไม่ถอยแล้วเราก็ทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็สามารถทำแบบเต็มร้อยได้และจะไม่มีวันถอยจะมีแต่การค่พบกับผลคือความสำเร็จคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง นี่คือเรื่องของการมาเติมน้ำมันเติมพลังให้แก่จิตใจเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนจิตใจให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระหลังตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะผล ท, ที่จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปถ้าพวกเรามีการปฏิบัติมีการเติมน้ำมันทั้งห้าชนิดนี้คือศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญา การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวหาปุราปริปุเรนติสักลงเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังทิปะเมวะสนิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปายันโทปนาวาโสยะถาณี ชดีอาบาสุยทัสสะพิติยวิวัจฉันตุสัพโรโควินาสตุมัเตภวตวันตรายุสุขีธิกายุโกภวอภิวาตัญกสิลิสานิจังุทธาปจายโน ยตาโรธรรมาวัฏฐิอายุวันสุขังทาลาทางช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะถามตอบคำถามอีก ต้องมีกิจกรรมยอย่างอื่นต้องทาต่อดังนั้นถ้าต้องการอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้จะมาถามเองก็ได้เขียนส่ายกระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเฟ e บุ o k ทาง u t u b e ได้แล้วอาจารให้อ่านคาถามและตอบให้วันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่ค่ะ ผูตามทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติ405ท่าน youtube พระสุชาติไลฟ์234ท่าน youtube อกเตอร n วีช106ท่านวิทยุออนไลน์10ท่านคลับ House 12ท่านผู้รับผู้รับฟังหน้ากุฏิ133ท่านรวมทั้งหมด900ท่านค่ะถ้ามีคําถามอะไรก็เชิญถามได้เนี่ย คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุติค่ะน้อมกราบพระอาจารย์ครับขอความเมตตาสภาวะจิตตื่นรู้เป็นแบบไหนครับล้องทำเองมัรู้จัอธิบายไงมันก็ลองใช้สติดูฝึกสติไปเรื่อยมันก็จะตื่นรู้อยู่เรื่อยๆถ้าเผลอสติมันก็จะหลับนั่งสมาธิถ้าไม่มีสติมันก็จะนั่งหลับ ถ้ามีสติก็จะรู้ตัวตัวตอนนี้จิตสงบหรือไม่สงบแล้วต้องทำแบบไหนครับก็ทำแบบสตินี่ฝึกสติไปเรื่อยๆสติและถ้าปฏิบัติสติแล้วก็จะรู้ว่าเราอยู่ในสภาพไหนกันแน่คำถามคำถามจาก YouTube ค่ะจากคุณวิทยา อัปปนาสมาธิเป็นด่านสุดท้ายของการทำสมาธิเพื่อให้น้มจิตเจริญวิปัสสนาในขณะนั่งสมาธิใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกขณะทำสมาธิไม่เจริญวิปัสสนาขณะทำสมาธิเป็นเวล า, าพักผ่อนของจิตใจเป็นการเสริมพลังให้กับใจด้วยอุเบกขาด้วยความนิ่งฉนั้นจะเจริญปัญญาวิปัสสนาต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อน มือนกับร่างกายเวลาเราทํางานเราก็ไม่นอนเวลาเรานอนเราก็ไม่ทํางานเราทําพร้อมกันไม่ได้ทั้งสองอย่างสมาธิกับปัญญาก็ทํางานต่างวาระกันเวลาทําสมาธิก็เวลาพักเวลาเจริญปัญญาก็เป็นเวลาทํางานเห็นต้องรอให้ออกจากการพักในสมาธิก่อนแล้วค่อยมาเจริญปัญญาต่อ คำถามสากหน้ากุฏิค่ะแม่อายุมากแล้วพยายามพาแม่เข้าวัดทำบุญแต่เหมือนแต่ดูเหมือนแม่จะยังไม่เข้าถึงธรรมะลูกๆจะต้องทำอย่างไรครับทำใจเลยคำถามต่อไปค่ะจากคุณใจเป็นธรรมให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นอย่างไรครับ ก็ทานเป็นเป็นเครื่องที่จะทำให้จิตสวยงามขึ้นคนทำทางกับคนไม่ทาทานนี่ต่างกันคนตนีขี้เหนียวใจแคบนี้ไม่สวยไม่งามคนที่ทำทานใจบุญใจกุศลใจกว้างเป็นที่รักของคนต่างๆคำถามจากคุณปุ๋ยคะ่ะการฆ่าสัตว์ในวันพระจะได้รับผลกรรมต่าง ก, กันกับวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันพระไหมคะไม่ต่างหรอก ถ้าวันไหนก็บาปเหมือนกันเท่ากันคำถามจากคุณวิทยาค่ะการเดินจงกรมเป็นข้อหนึ่งในการเจริญสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมครับก็เป็นการเจริญสติทั่วไปเนะี่ไม่่ว่าว่าอยู่ในสติปัฏฐานสี่ก็ได้และทำให้เกิดสมาธิสูงสุดถึงขั้นใดครับขัน้นอัปปนาสมาธิ คำถามต่อไปค่ะการเจริญวิปั ส, สนาคือการพิจารณาธรรมข้อใดครับอริยศาสตรส์สว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากของเราไม่ได้เกิดจากดินฟ้าอากาศไม่ได้เกิดจากการเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากการกระทําของผู้ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรา คำถามจากคุณจุธาทิพย์ค่ะเนื่องจากการงานที่เลี้ยงชีพจำเป็นต้องจ้างคนมากำจัดมแมลงสาบเดือนละครั้งจะมีโอกาสบรรลุพระโสดาบันได้หรือไม่คะก็อยู่วิธีการพูดของเราถ้าเราไม่สั่งเขาให้มาทำให้เรานี้ไม่บาปแต่ถ้าเราสั่งเขาบาปวิธีก็ต้องหาวิธีพูดแบบที่ไม่ต้องให้สั่งเขาให้เขาอาสามาเอง ถามเขาว่าคุณกําจัดตั๋วหรอื อ, อบอกครับผมบ้านคุณมีตัววหรอื อ, อผมจะมาทําให้อันนี้ก็มาไม่ว่ากัน อ, อั น, นั้นเป็นการอาสาสมัครตร้องเหมนกระเพาะบางทีเพ้าก็มีปัญหาบางทีต้องาายอาศัยโยู่ตั๋วขึ้นกุฏิโยมทายําไงดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการให้ออาเพราะโยมเขาทํามากกว่านี้เขายัางทําได้นะเขาก็ตกปลาทุกวันอะไรฮะ ดักสัตว์ทุกวันเขาเป็นเป็นอาชีพของเขาเป็นการเลี้ยงชีพของเขาแล้วมาทําบุญให้กับพระนี่เขาว่าไม่รู้สึกว่าเขาจะจะขีดตะโพงใจยังไงแล้วก็มันไม่ไม่ได้เป็นบาปหนักกว่าบาปที่เขาทาอยู่แล้วจากคุณวัฒนาพงค์ค่ะในกรณีที่งานทางโลกหนะ่ะควรแบ่งเวลาในการปฏิบัติกรรมฐานและวิปัสสนาวันละกี่นาทีครับก็แบ่งเท่าที่เราจะแบ่งได้นะ ถ้าเราอยากจะให้มีเวลามากก็ทํางานให้น้อยการจะทํางานให้น้อยก็ต้องลดรายายได้ลงการต้องการรายได้สูงมันก็ต้องทํางานมากถ้าต้องการเวลามากก็ทํางานให้น้อยก็ต้องลดรายได้ให้น้อยลงคําถามจากคุณทิชยาณปัจจุบันนี้ร่างกายไม่ครบสามสิบสองหลังเลิกงานเดินกลับไปขึ้นรถยนต์ กลับบ้านหลายกิโลเดินด้วยการภาวนาพุทโธมีน้ำมูกไหลน้ำตาไหลแต่ภายในไม่ได้สนใจเหมือนถือไม้เรียวตีในจิตของตัวเองเลยเจ้าค่ะกายเรามีสองร่างใช่ไหมเจ้าคะไม่สร้างความหมายงสองด้านเป็ยังไงข้อที่สองค่ะ การนั่งสมาธิในปัจจุบันความรู้สึกเหมือนนอนติดไฟไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็ไม่มีความคิดอะไรเลยค่ะมีความสุขดีเวลาปวดท้องเข้าห้องน้ำในรถเมื่อหาปั๊มน้ำมันไม่เจอนั่งภาวนาพุโทโธยือได้เจ้าค่ะจุดนี้หนูเจริญสมาธิอะไรต่อเจ้าคะก็ทำไปเรื่อยๆทำให้จิตใจเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆคาถามจากคุณนานิ ทุกๆครั้งที่โยมไปทําบุญโยมจากอธิษฐานจิตเพื่อให้ขอไปสู่พระนิพพานในทุกครั้งการอธิษฐานแบบนี้ถือเป็นกิเลสไหมเจ้าคะไม่เป็นกิเลสแต่ก็ไม่เป็นผลนะต้องการจะไปนิพพานไม่ได้เกิดจากการทําบุญอย่างเดียวมันเกิดจากการรักษาสีเกิดการปฏิบัติสมาธิปัญญาถึงจะไปถึงพระนิพพานได้คําถามจากคุณกุลาบค่ ะ, คะการให้ทานและการแผ่เมตตาเหมือนกันหรือไม่เจ้าคะ ก็เป็นท้ายกันคือาการให้ทานก็ต้องมีความเมตตาด้วยเราอยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขนี่เรียกว่าเมตตาเราก็เลยทําทานแบ่งปันมีข้าวของเงินทองทก็ให้กับเขาไปแต่ถ้าเราไม่ให้ทานเขาเราเพียงแต่ปรารถนาดีอย่างเดียวจะเรียกว่าจะมีเมตตามันก็ยังมีแต่ยังไม่ได้ทําเมตตานี้ต้องเกิดจากการกระทํา ไม่เล่ยเกิดจากการมีความปรารถนาดีเฉยๆเราปรารถนาดีแล้วเราต้องแสดงความปรารถนาดีของเราด้วยการกระทาของเราคำถามต่อไปค่ะทำไมคนเลวเขาอยู่ในสังคมได้อย่างสบายไม่เห็นเขามีความทุกข์เลยเราไปรู้ยังไงว่าเขาทุกข์ก็ไม่ทุกข์ใจของเขาอาจจะทุกข์แต่ภายนอกเราอาจจะไม่รู้เนืนโดยหลักแล้วใครทาบาปในใจจะต้องทุกข์ร้อนเป็นธรรมดา ใครทําบุญใจก็จะเย็นใจก็จะสุขอต่ที่เป็นเรื่องภายในใจของเขาเรามองไม่ออก<ม>อาจจะเห็นขอทานเขาล่าอาจจะไม่รู้ว่าขอทานนี่อาจจะมีความสุขกับมหาเศรษฐีก็ได้มหาเศรษฐีนี่คุมขมับอยู่เรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวเงินขึ้นเงินลงก็คุมขมับแล้ะหุ้นขึ้นหุ้นลงก็คุมขมับแล้ะคนจนคนขอทานนี่นอนหลับสบายไม่กังวล ภูมีกินอย่างเดียวก็พอแล้วคำถามจากหน้ากุติค่ะนั่งสมาธิเลยนิมิดมาแล้วทราบว่าเป็นของกลอมไม่ควรคิจารณาแต่พอผ่านมาเลิกเลิกภาวนาจิตจับที่การเข้าออกของลมแทนคำบริกรรมหายไปพอจิตจะคิดเราพอจิตจะคิดเราเบรกปวดหัวก็เลยฟังหลวงพ่อพุทธ ฐานิโยบอกให้ปล่อยจิตคิดแล้วตามรู้ก็ตามไปปัจจุบันจิตพาพิจารณาธรรมทำที่ทราบแล้วบ้างทำใหม่บ้างแต่เป็นการอุปมาใหม่ฟังฟังข้างในพูดคุยอยู่ข้างในจิตนี่คือปัญญาหรือกิเลสอย่างละเอียดล่อเราครับพอตามรู้แล้วความจำตอนพิจารณานั้นหายไปไม่การปฏิบัติแบบไม่ไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เป็นแบบ ก็เลยจับใเนี่ยมันต้องมีหลักมีแกนของการปฏิบัติเบื้องต้นนี้ต้องคอยหยุดความคิดไม่ให้ไปคิดไม่ให้ไปยุ่งกับความคิดให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเท่านั้นแล้วนี่ไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็มันก็เป็นปนกันไปมาเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแนะ่ คำถามจะคุณพรมีคนมายืมเงินเงินเราแล้วเอาเงินที่ได้ไปทําสิ่งไม่ดีแบบนี้เรามีส่วนสนับสนุนการทําบาตรของเขาไหมคะถ้าก็บอกเราเราก็ไม่ควรที่ให้ยืมเช่นเขาขอขอยืมเงินไปเล่นการพ น, นันหรือยืมเงินไปกินเหล้าเมายาหรือยืมเงินไปป้นไปซื้อปืนเพื่อจะได้ไปป้นอย่างนี้ อันนี้เราก็ไม่ควรที่จะสนับสนุนต่อแต่ถ้าเราไม่รู้เราให้พราะคิดว่าเขาเดือดร้อนเขาไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรไม่มียารักษาโรคถ้าเราให้ใแบบนี้มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ผิดนะเพราฉนั้นบางทีต้องถาม่าก่อนว่าเข า, เาไปทาอะไร คำถามจากคุณพงพันขณะนั่งสมาธิไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเกิดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าอยู่บ่อยๆจะผ่านทุกขเวทนานั้นๆไปได้ด้วยวิธีใดบ้างกราบขอคาแนะนาครับด้วยการท่องบริกรรมพุทโธอย่าไปคิดอะไรให้อยู่กับพุทโธอย่าไปคิดถึงทุกขเวทนาปล่อยให้ทุกขเวทนาเขาอยู่ตามลำพังของเขาเราก็อยู่ส่วนของเราอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวเราก็ผ่านทุกขเวทนาไปได้ สวดบนไปก็ได้เอติพิโสภกวาลังสัมมาไปสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจเราก็จะไม่ไปยุ่งกับทุกขเวทนาคำถามจากคุณชิตชัยค่ะถ้าชาติหน้ามีจริงเราเกิดมานิสัยเก่านิสัยเดิมจะติดตัวมาด้วยหรือไม่ครับนิสัยชอบทำบุญก็จะทำแต่บุญนิสัยชอบทำบาปก็จะทำแต่บาปใช่ไหมครับถูกต้องแล้วก็ บ, บุญกับบาปเนี่ย ถ้าเราทําบุญเราก็จะไปทําบุญต่อถ้าเราทําบาปเราก็จะไปทําบาปต่อจะเปลี่ยนได้ก็ทําเมื่อเรารู้ว่าบาปไม่ดีแล้วเราพยายามฝืนมันเช่นเรามาเกิดในพุทธศาสนาพุทธศาสนาบอกว่าทําบาปไม่ดีถ้าเรายังเคยชอบทําบาปอยู่เราก็ต้องพยายามฝืนมันต่อไปเราก็จะเลิกทําบาปได้ คำถามจากคุณแบมแบมการนั่งสมาธิถ้าบางทีใช้พุโทโธบางทีใช้ดูลมหายใจได้หรือไม่คะหรือควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไหมอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าพุโทโธก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไป คำถามจากคุณจุธาทิพย์เคยได้ยินคำว่าหมื่นโลกธาตุแสดงว่าเรามีการเวียนว่ายตายเกิดในโลกธาตุอื่นๆได้หรือไม่คะโลกธาตุก็หมายถึงโลกที่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งอาจจะมีดวงดาวต่างๆที่มี ม, มีมนุษย์มีสัตว์เหมือนกับโลกของเราก็ได้แต่เราไม่สามารถติดต่อเขาได้นั้น คำถามสักคุณยุทธพงศ์ถ้าใช้กัญชาเพียงแค่ควบคุมความดันแทนยาเคมีในช่วงเช้ากับบางครั้งที่เราปวดหัวมีความดันขึ้นไม่ได้ใช้เยอะจนหลงมัวเมาไปกับฤทธิ์บางส่วนของมันแบบนี้ถือว่าเราผิดศีลห้าไหมครับก็ต้องเป็นคำสั่งของแพทย์ก็แล้วกันอย่าไปกินเอง เราไปกินเองเดียวมันหลอกตัวเองได้ว่ากินเพื่อยากินเพื่อรักษาแต่ความจริงมันติดซะละพอไม่ได้กินแล้วมันหงุดหงิดนี้ก็ถือว่าเป็นการเสพยาเสพติดไปต้องกินตามคำสั่งแพทย์ให้เรากินยาชนิดอื่น คำถามจะคุณตุตุบางคนจะคิดว่าเรื่องทางโลกและทางธรรมเป็นคนละส่วนกันแยกออกจากกันทำให้บางคนมักจะพูดว่าต้องรอให้มีความพร้อมก่อนจึงค่อยเริ่มมาปฏิบัติธรรมเช่นต้องทำมาหากินต้องดูแลครอบครัวให้ภาระหนี้สินเบาบางลงรบกวนพระอาจารย์เมตตาชี้แนะค่ ะ, ะมันก็คนละทางกันทางโลกก็เนี่ยทำมาหากินเลี้ยงชีพหาความสุขจาก การดูการฟังอะไรต่างๆทางธรรมก็คือการไปอยู่ที่สงบทำใจให้สงบหาความสุขจากการทำใจให้สงบมันเป็นคนละทางกันคําำถามจากคุณหญิงหยางการเจ็บปวดทางร่างกายที่เป็นอยู่ตลอดเวลาเราไม่เครียดและยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่อาการแบบนี้เป็นเพราะเราชินกับความเจ็บปวดหรือเรามีอุเบกขาคะ ก็ทั้งสองอย่างพอชินกับมันแล้วมันก็เลยเฉยไม่ต่อต้านได้เฉวางเฉยได้คำถามจากคุณวิทยะภิกษุที่ต้องปา ร, ราชิกศึกไปแล้วกลับมาบวชใหม่ได้ไหมครับไม่ได้หรอนอกจากถ้าเขาไม่รู้ไม่ได้ไปบอกก็เคยเป็นปา ร, ราชิกมาแล้วไปบวชก็ได้แต่ผิดถ้าเขามารู้ทีหลังเขาก็จะจับสึกได้ถ้ากลับมาบวชได้สามารถบรรลุธรรได้ไหมครับ มันยากน่ยเพราะว่ามันเป็น ไ, ไปคนละทางไปแล้วก่อนจะกลับมาบวชได้นี่อาจจะต้องใช้เวลามาการนี้อาจจะเวลาไม่พอก็ได้คําถามจากคุณวิทยะคราว่าที่บรรลุธรรมขั้นอรหันต์ถ้าไม่บวชภายในเจ็ดวันต้องเสียชีวิตเพราะอะไรครับไม่เสียหรอกเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ได้บวชจะจ ะ, จะตายอันนี้เป็นความเข้าใจผิดน ไม่มีคำพูดไม่มีคำสอนในพระไตรปิฎกที่บอกว่าถ้าเป็นคาราวะาบรรลุเป็นพาาระอรหันต์แล้วไม่บวดจะตายภายในเจ็วันนี้ไม่มีเป็นความเข้าใจผิดของคนที่ไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ไปเห็นว่าพ่อพระพุทธเจ้าตายเป็นพาาระอรหันต์แล้วก็ตายก่อนหลังจากเป็นพาาระอรหันต์ได้ก็ตายไปภายในเจ็วันก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นเพราะว่า ตายเพราะเป็นผ้าหลานแต่ความจริงท่านกําลังจะตายอยู่แล้วเรื่องของความตายของร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นของผ้าหลานแต่อย่างใดคําถามจากเจ๊ดาวหลังจากสวดมนต์เช้าและนั่งสมาธิระหว่างการนั่งสมาธิจะบริกรรมพุทโธและปลงสังขารนึกถึงคําสอนของพระอาจารย์การเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดล้วนแต่เป็นทุกข์การบริกรรมนี้ถือเป็นการทําสมาธิใหม่คะ ก็เป็นในระดับต้นๆถ้าทำให้จิตสงบได้ก็ใช้ได้แต่ถ้าจะให้มันสงบนิ่งก็ดูลมหรือพุโทโธคำเดียวจะดีกว่าแต่เบื้องต้นอาจจะใช้การระลึกความคิดเหล่านี้ไว้ก่อนเพื่อระงับความคิดต่างๆให้น้อยลงแล้วพอเราสามารถดูลมได้พุโทโธได้ก็เราก็เอาแต่ลมอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวต่อมีคอมเมนต์ค่ะ จากคุณสมสกุลใจกําลังมีความสุขฝนตกทุกทันทีครับต้องเก็บหลายอย่างเลยครับทุกพมันไม่อยากให้มันตกนี่ถ้าอยากให้มันตกก็จะดีใจเพราะฝนแรงมาหลายวันอยากให้มันตกพอตกแล้วเย็นสบายมันอยู่ที่ใจของเราทุกเพราะใจของเราเพราะความอยากของเราตอนนี้คําถามหมดค่ะหมดเก็หมดพอดีเวลามีาใครอยากจะถามอะไรไหม